ยังเห็นเธอดูสดใสทำไมวันนี้ดูเธอไม่ค่อยจางใสเป็นไรไหมรู้ดูจะเปลี่ยนไปมีใครไหมรู้จะไม่จะหวั่นไหวยังไงไมมรู้เมือ่อเธอเปลี่ยนไ ป, ปนใครคนไหนไม่เคยผิดหวังต่อให้ใหญ่แค่ไหนก็คงต้องมีสาระ Can I c a n n